พยสูตรว่าด้วยไยเป็นชื่อของกลามภิกษุทั้งหลายหนึ่งคำว่าไยเป็นชื่อของกามสองคำว่าทุกเป็นชื่อของกามสาคำว่าโรคเป็นชื่อของกามสีคำว่าฝีเป็นชื่อของกามห้าคำว่าลูกสรเป็นชื่อของกลามหก คำว่าเคลื่องข้องเป็นชื่อของกลาม 7. คำว่าเปลือกตมเป็นชื่อของกา ม, คาา ม, ออกาม 8. คำว่าการอยู่ในคันเป็นชื่อของกลามคำว่าภัยนี้เป็นชื่อของกลามเพราะเหตุไรเพราะสัตว์โลกผู้ยินดีด้วยการมราคะถูกฉันทราคะเกี่ยวพันไว้ย่อมไม่พ้นจากภัยทั้งที่มีในพบนี้ทั้งที่มีในพบหน้าฉะนั้น คำว่าภัยนี้จึงเป็นชื่อของกามคำว่าทุกคำว่าโรคคำว่าฝีคำว่าลูกศรอนคำว่าเครื่องข้องคำว่าเปลือกตมคำว่าการอยู่ในขันเป็นชื่อของกามเพราะเหตุไรเพราะสัตว์โลกผู้ยินดีด้วยกามราคะถูกชนทราคะเกี่ยวพันไว้ย่อมไม่พ้นจากการอยู่ในขันทั้งที่มีในพบนี้ ทั้งที่มีในภพหน้าฉะนั้นคําว่าการอยู่ในคันนี้จึงเป็นชื่อของกามปูต่ตชนตกต่ำด้วยราคะอันน่ายินดีย่อมเข้าถึงความเป็นสัตว์เกิดในคันอีกเพราะกามเหล่าใดกามเหล่านี้เรียกว่าภายัยทุกขโรคฝีลูกศรเครื่องข้องเปือกตมและการอยู่ในคันแต่เมื่อใดภิกษุมีความเพียนเผากิเลสไม่ละสัมปชัญญะ ภิกษุผู้เช่นนั้นก็ข้ามการเป็นดูดทางลื่นที่ข้ามได้ยากมองเห็นหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงชาติและชราดิ้นรนอยู่พยะสูตรที่หจบ 7. พ็ดปฐมมะอาหุในยสูตรว่าด้วยอาหุในยบุคคลสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมปประการเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับ ควรแกทักษินาควรแกการทำอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทํแปดประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลและถึงสมาทานศึกษาอยู่ในศิคาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรและถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี 4. เป็นสัมมาทิฐิประกอบด้วยความเห็นชอบ 5. เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 6. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างและถึงพร้อมด้วยลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 7. เห็นหมู่สัตว์ผู้กําลังจุติกําลังเกิดละถึงด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมละถึง 8. ทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมแปประการนี้แลละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก พฐมมาอาหุในยสูตรที่7จบ 8. ทุติยอาหุในยสูตรว่าด้วยอาหุในยบุคคลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทำแปรประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศีลและถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นผู้หูสูตและถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้ปรารกความเพียมีความเข้มแข็ง มีความบากบันมั่นคงไม่ท้อทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 4. เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดอาศัยเศนาสะนะที่สงัด 5. เป็นผู้อดทนต่อความยินร้ายและความยินดีได้ครอบงำความยินร้ายที่เกิดขึ้นได้อยู่ 6. เป็นผู้อดทนต่อภัยที่น่ากลัวได้ครอบงำย่ำยีภัยที่น่ากลัวซึ่งเกิดขึ้นได้อยู่ 7. เป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากแปําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติละถึงเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำแป8ประการนี้แลละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทุติยาอาหุเนยสูที่แด พระธมมะปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลกสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทําอัญเชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลแปดจำพวกไหนบ้างคือ 1. พระโสดาบันสอง บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพันธ์สามพระสกธาคามี 4. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผล 5. พระอนาคามี 6. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. พระอรหันต์ 8. บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลภิกษุทั้งหลาย บุคคลแปดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลผู้ปฏิบัติสี่จำพวกและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลสีจจำพวกนี้เป็นสงผู้ปฏิบัติตรงประกอบด้วยปัญญาและศีลบุญย่อมมีผลยิ่งแก่มนุษย์ผู้มุ่งบุญบูชากระทําอยู่ทานที่บุคคลใหในสงนี้ย่อมมีผลมาก ปฐมมะปุคละสูตรที่9จบ 10. ทุติยาปุคละสูตรว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลกสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลแปดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งพระโสดาบัน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 บุคคลแปดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายและถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลแปดจำพวกคือบุคคลผู้ปฏิบัติสี่จำพวกและบุคคลผู้ตั้งอยู่ในผลสี่จำพวกเป็นสงผู้สูงสงกว่าสัตว์ทั้งหลายบุญย่อมมีผลยิ่งแก่มนุษย์ผู้มุ่งบุญบูชากระทาอยู่ทานที่บุคคลใหในสงนี้ย่อมมีผลมาก ทุติยปุคละสูตรที่10บจบโคตมีวักที่หนึ่งจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โคตมีสูตร 2. อโอวาทาสูตร 3. สังคิตสูตร 4. ี่ทีฆานุสูตร 5. อุชยะสูตร 6. พยสูตร 7. พ็ปฐมมอาหุเนยสูตร 8. ทุติยะอาหุในยสูตรเก้าวั ม, มปุคละสูตรสิบทุติยะปุคละสูตรสองภูมิจารวักหมวดว่าด้วยเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ 1. อิจฉาสูตรว่าด้วยความอยากได้ลาบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลแปดจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลแปดจำพวกไหนบ้างคือหนึ่งเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงัดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้นเธอหมัน่นภาคเพียรพยายามเพื่อให้ได้ลาบ เมื่อเธอมันภาคเพียรพยายามเพื่อให้ได้ลาบแต่ลาบก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ลาบนั้นเธอจึงเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความเลอะเลือนภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบอยู่มันภาคเพียรพยายามเพื่อให้ได้ลาบเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ลาบเศร้าโศกร่ำไรและเคลื่อนจากสัตธรรมสอง เมื่อพิสุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงัดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้นเธอหมั่นภาคเพียนพยายามเพื่อให้ได้ลาบเมื่อเธอหมั่นภาคเพียนพยายามเพื่อให้ได้ลาบลาบก็เกิดขึ้นเพราะได้ลาบนั้นเธอจึงมัวเมาประมาทเล่นเล่อพิสุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบอยู่หมั่นภาคเพียรพยายามเพื่อให้ได้ลาบ เธอชื่อว่าเป็นผู้ได้ลาบมัวเมาประมาทและเคลื่อนจากสัตยธรรม 3. เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงัดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้นแต่เธอไม่หมันไม่ภาคเพียนไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบเมื่อเธอไม่หมันไม่ภาคเพียนไม่พยายามเพืพ่อให้ได้ลาบลาบ ก, ก็ไม่เกิดขึ้น เพราะไม่ได้ลาบนั้นเธอจึงเศร้าโศกลาบากใจร่ำไรทุบอกครื่าครวนถึงความเลอะเลือนภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบอยู่แต่ไม่มันไม่ภาคเพียนไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ลาบเศร้าโศกร่าไรและเคลื่อนจากสัตวธรรม4เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่อง ความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้นแต่เธอไม่มันไม่ภากเพียนไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบเมื่อเธอไม่มันไม่ภาคเพียนไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบแต่ลาบก็เกิดขึ้นเพราะได้ลาบนั้นเธอจึงมัวเมาประมาทเ well ลินเล่อภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบอยู่แต่ไม่มันไม่ภาคเพียนไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบเธอชื่อว่า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 ไม่ทุบ อ, อกคร่าโครนไม่ถึงความเลอะเลือนภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบอยู่มันภาคเพียนพยายามเพื่อให้ได้ลาบเธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ลาบไม่เศร้าโศกไม่ร่ำไรและไม่เคลื่อนจากสัตร ร, รม 6. เมื่อภิกษุในธรรมวิในนี้อยู่อย่างสงัดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้น เธอหมั่นภาคเพียนพยายามเพื่อให้ได้ลาบเมื่อเธอหมั่นภาคเพียนพยายามเพื่อให้ได้ราบลาบก็เกิดขึ้นเพราะได้ลาบนั้นเธอก็ไม่มัวเมาไม่ประมาทไม่เลินเล่อภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยากได้ลาบอยู่หมั่นภาคเพียนพยายามเพื่อให้ได้ลา บ, ลาบเธอเชื่อว่าเป็นผู้ได้ลาบไม่มัวเมาไม่ประมาทและไม่เคลื่อนจากสัตธรรมเจ เมื่อพิกสุในธรรมวิในนี้อยู่อย่างสงัดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้นแต่เธอไม่มันไม่ภาคเพียรไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบเมื่อเธอไม่มันไม่ภาคเพียรไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบลาบก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่ได้ลาบนั้นเธอก็ไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความเลื่อนเลือนภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้อยากได้ลาบอยู่แต่ไม่มันไม่ภาพเพียนไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบถือชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ลาบไม่เศร้าโศกไม่ร่าไรและไม่เคลื่อนจากสัตวธรรม 8. เมื่อพิสุในธรรมวินัยนี้อยู่อย่างสงดแต่ไม่ประพฤติให้ต่อเนื่องความอยากได้ลาบย่อมเกิดขึ้นแต่เธอไม่มันไม่ภาคเพียนไม่พยายามเพื่อให้ได้ลาบ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 บุคคลแปดจำพวกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกอิช้าสูตรที่หนึ่งจบสองอังสูตรว่าด้วยผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อื ing, ่นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรม6ประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง ค, ครวนได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายสองทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ 3. พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้ 4. รู้อัดรู้ทมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 5. มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 6. ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหานกล้าวกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ใคล้ครวนไม่ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ 2. พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้ 3. รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 4. มีวาจางามละถึงให้รู้ความหมายได้ 5. ชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แหลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองและมีความสามารถสำหรับผู้อื่นภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม4ประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นธรรมประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. ใครครนได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย สงทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ 3. พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้รู้อัจรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 4. ไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคำไพเราะไม่ประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ทั้งไม่ชี้แจงให้เพื่อนโภมจารีเห็นชัดไม่ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัต ไม่เร้าใจให้อาถานกล้าวกล้าไม่ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แหลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำสีประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับผู้อื่นแต่ไม่มีความสามารถสำหรับตนเองทำสีประการอะไรบ้างคือ ภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. ใครครวนได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้แต่ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ทั้งไม่รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 3. ามมีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะละถึงให้รู้ความหมายได้ 4. ชี้แจงให้เพื่อนโภมจารีเห็นชัด ละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสําสหรับผู้อื่นแต่ไม่มีความสามารถสําสหรับตนเองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการเป็นผู้มีความสามารถสําหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสําหรับผู้อื่นธรรมสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่ง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 ไม่ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติไม่เล้าใจให้อาจหานแกล่าไม่ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แหลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเองแต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการเป็นผู้มีความสามารถสาหรับผู้อื่นแต่ไม่มีความสามารถสาหรับตนเอง ทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. ใคร่ครวนไม่ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ 2. ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้ทั้งไม่รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่มีวาจางามละถึงให้รู้ความหมายได้ สชี้แจงให้เพื่อนพระมารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหางแกล้วกล่าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับผู้อื่นแต่ไม่มีความสามารถสำหรับตนเองภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสองประการเป็นผู้มีความสามารถสำหรับตนเอง แต่ไม่มีความสามารถสำหรับผู้อื่นทำสองประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ใครครวญไม่ได้เร็วในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งไม่ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้แต่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้ 2. รู้อัตรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธำแล้วแต่ไม่มีวาจางามละถึงให้รู้ความหมายได้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 พิสุในธรรมวินัยนี้ 1. ใคร่ครวนไม่ได้เร็วในกุศลรธรรมทั้งหลายทั้งไม่ทรงจำธรรมที่ฟังแล้วไว้ได้ไม่พิจารณาเนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจำไว้ได้ไม่รู้อัดรู้ธรรมแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคลายให้รู้ความหมายได้ 2. ชี้แจงให้เพื่อนโพรมจารีเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจะให้อาถานแกล้ากลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสองประการนี้แหลเป็นผู้มีความสามารถสำหรับผู้อื่นแต่ไม่มีความสามารถสำหรับตนเองอลังสู่ที่สองจบ สสังคิตสูตรว่าด้วยภิกษุทูลขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงได้กกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอ่อแก่ข้าพระองค์โดยที่เมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว จะพึงจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมฆบุรุษบางพวกในโลกนี้ย่อมเชื้อเชิญเราอย่างที่เขาทำกันมาและเมื่อเราแสดงธรรมแล้วก็คอยติดตามเราเรื่อยไปภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อ ขอพระสุคตโปรแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ทำอย่างไรข้าพระองค์จึงจะรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งพาสิทธิของพระผู้มีพระภาคทำอย่างไรข้าพระองค์จึงจะเป็นทายาทแห่งภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเพราะฉะนั้นแลเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจกตั้งมั่นดํารงมั่นด้วยดีในภายใน และบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตไม่ได้อยู่เธอพึงสำเนียกอย่างนี้แหลเมื่อใดแลจิตของเธอตั้งมั่นดำรงมั่นด้วยดีในภายในและบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะครอบงำจิตไม่ได้อยู่เมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเมตตาเจโตวิมุตตจากเป็นธรรมอันเราเจริญแล้วทำให้มากแล้วทาให้เป็นดุจยานแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารภดีแล้วเธอพึงสำเนีกอย่างนี้แหลเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ที่มีวิตกมีวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้าง เจริญสมาธิที่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่มีความยินดีบ้างเจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้างเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วเจริญดีแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่ากรุณาเจโตวิมุตติและถึงเมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่า มูทิตาเจโตวิมุตเมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าอุเบคาเจโตวิมุตจากเป็นธรรมอันเราเจริญแล้วทำให้มากแล้วทำให้เป็นดุจยานแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแลว้วปรารภดีแล้วเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แหละเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทาให้มากแลอย่างนี้เมื่อนั้น เธอพึงเจริญ yes. สมาธินี้ที่มีวิตกมีวิจารณ์บ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์บ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บ้างเจริญสมาธิที่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีปิติบ้างเจริญสมาธิที่มีความยินดีบ้างเจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้างเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้ว เจริญดีแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้เธอพึงสำเนียกอย่างนี้แหละเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทําให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ที่มีวิตกมีวิจารบ้าง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 เธอพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราจะพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่และถึงเมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่และถึงเมื่อนั้นเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะพิจรารณาเห็นธ ร, รรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ เธอพึงสำเหนียกอย่างนี้แหละเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้ที่มีวิตกมีวิจาร์บ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจาร์บ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารบ้างเจริญสมาธิที่มีปีติบ้างเจริญสมาธิที่ไม่มีปีติบ้าง เจริญสมาธิที่มีความยินดีบ้างจเจริญสมาธิที่มีอุเบกขาบ้างเมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอจเจริญแล้วจเจริญดีแล้วอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะเดินไปที่ใดใดก็เดินไปได้อย่างผาสุขในที่นั้นๆจะยืนอยู่ในที่ใดใดก็ยืนอยู่ได้อย่างผาสุขในที่นั้นๆจะนั่งอยู่ในที่ใดใดก็นั่งอยู่ได้อย่างผาสุขในที่นั้นๆ จะนอนอยู่ในที่ใดๆก็นอนอยู่อย่างผาสุกในที่นั้นๆภิกษุนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปเธอจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมจารย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายสังขิตตะสูที่สามจบ ขยาศีสะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ขยาศีสะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณตำบนขยาศีสะเขตเมืองขยาณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายละถึงหนึ่งก่อนจะตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เรารู้โอภาส แต่ไม่เห็นรูปทั้งหลายสองเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าเรารู้โอภาษและเห็นรูปทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้ญาณทัศนะนี้ของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสมัยต่อมาเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่รู้โอภาษและเห็นรูปทั้งหลายแต่เราไม่ได้ยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นส เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้าเรารู้โอภาษดเห็นรูปทั้งหลายและยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นด้วยอาการอย่างนี้ญาณทัศนะ น, นี้ของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสมัยต่อมาเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่รู้โอภาษเห็นรูปทั้งหลายและยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นแต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่า เทวดานี้มาจากเทพนิกานโน้ น, น 4-7 เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้าเรารู้โอภาษเห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นและรู้จากเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มาจากเทพนิกายโ น, น้ น, นด้วยอาการอย่างนี้ยาทณทัศนะนี้ของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น สมัยต่อมาเรานั้นเป็นผู้มีประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่รู้โอภาษเห็นรูปทั้งหลายยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นและรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มาจากเทพนิกรายนนท์นนแต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าด้วยวิบากแห่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้จุติจากภพนี้แล้วจึงมาเกิดในภพนั้นละถึง รู้จักเทวดาเหล่าน exactly sal ั้นว่าด้วยวิปากแห่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้จุติจากภพนี้แล้วจึงมาเกิดในภพนั้นแต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าด้วยวิปากแห่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้มีอาหารอย่างนี้สวยสุขและทุกข์อย่างนี้และถึงรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าด้วยวิปากแห่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้มีอาหารอย่างนี้สวยสุขและทุกข์อย่างนี้ แต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่าน <blur> <groans> <arithmetic> ั้นว่าเทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้และถึงรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้แต่ไม่รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเราเคยอยู่ร่วมหรือไม่เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้แปดเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่า <Jub ilee> <use. S 1> ถ้าเรารู้โอภาสเห็น <niin> รูป hmm, ทั้งหลายยืนเจรจาปราศัยกับเทวดาเหล่านั้นและรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มาจากเทพนิกยน้นท์รู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าด้วยวิปากแข่งกรรมนี้เทวดาเหล่านี้จุติจากภพนี้แล้วจึงมาเกิดในภพนั้นรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มีอาหารอย่างนี้สวยสุขและทุกข์อย่างนี้ รู้จากเทวดาเหล่านั้นว่าเทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้ดํารงอยู่ได้นานอย่างนี้และรู้จากเทวดาเหล่านั้นว่าเราเคยอยู่ร่วมหรือไม่เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้ญาณทัศน์นี้ของเราก็จะบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นสมัยต่อมาเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรโอทิกายและใจอยู่รู้โอภาษเห็นรูปทั้งหลาย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 เทวดาเหล่านี้มีอายุยืนอย่างนี้ดำรงอยู่ได้นานอย่างนี้และรู้จักเทวดาเหล่านั้นว่าเราเคยอยู่ร่วมหรือไม่เคยอยู่ร่วมกับเทวดาเหล่านี้อาทิเทวญาณทัศนะความรู้ความเห็นเกี่ยวกับเทวดาผู้ยิ่งของเราแปดขั้นอย่างนี้ยังไม่หมดจดดีตราบใดเราก็ยังไม่ยืนยันว่าเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลก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 พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยานทัศนะเกิดขึ้นแก่เราว่าเจโตวิมุตของเราไม่กิดเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกขยาศีสสูตรที่สี่จบ